วิวาธมูลหมูลเหตุแห่งวิวาธหเป็นมูลแห่งวิวาธาธิกรอนอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวิไนนี้หนึ่งเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา <ông> ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรม <S ink> ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ <cribe> ์อยู่และไม่ทำศิกขาให้บริบูรณ์พิกษุทั้งหลายพิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรมมมมรม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 ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลแห่งการวิวาสเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลแห่งวิวาสที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลแห่งวิวาสเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้น เธอทั <themed> ้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาบนั้นแหลการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาบนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาบนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้สองเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่าน ละ 3. เป็นผู้มีปกติริษยารณีละ 4. เป็นผู้อวดดีเจ้ามายาละ5เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิละ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยาก ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรันสลละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสรรงฆ์และไม่ทําศิกขาให้บริบูรณ์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 ภายในหรือภายนอกนั้นแหละถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลแห่งวิวาสเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งวิวาสที่เป็นบาปนั้นแหละการละมูลเหตุแห่งวิวาสที่เป็นบาปนั้นแหละย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบากนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้มูลแห่งการวิวาทหกอย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาธาที่ก่อน